มันเป็นไปไม้ได้เรือนี้ความวันไม่เชื่อพุทธศาสนาะไม่นับคือพุทธศาสนามันจะได้เป็นอย่งงางนั้นเรื่องมันเป็นนี่ถ้าเราทําบุญทำบุญศนอย่างนี้เราใจบุญใจบุญศนบุญคืออะไรใจเรามีความสุขความสบาย ใจเรามีคุงามความดีความชั่วสลายเองมาใกลไม่ได้เรื่องเป็นแย่คุณง่ายเปลี่ ย, ป, ยร ป, ประมาเหมือนกับมืดเราชุดไฟทะเลามืดก็หายไปเองความดีเป็นไงคือใจเราดีใจเราดีใจเรามีความสุขความสบาย เรามานี่ก็ต้องการอย่างนั้นไม่ใช่หรือดูที่มาวัดก็ต้องวัดดูใจเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นเริ่มาเป็นอย่างนี้ใจเราอำนาจบุญวาชนาเนี่ยอาประเทศอื่นมาทำลายแล้วพรนีถูกกินหลาหลับลองเมืเ่อเปิดใ เราถือปฏิบัติจริงๆแล้วก็ถือพระเจ้าพระธรรมมาสมเป็นสาระที่ซึ้งเราไม่ถือที่อืนเรากระได้ยินอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าพระวัิท่านใไฮเบียดเบรนพระเจ้าพระนิสูทิสารนะเดี๋ยวนี้เราไม่ถือเราไม่เถือแล้วก็ไม่ทราไม่ได้เสีมาถือพระเจ้าเจ้าพระเจ้าอยู่แห่ง ผลตำบลใดฤทธิจักพิโยแหน่ือศาสนาแต่เจ้ว่าศาสนาอยู่ที่ไหนฤทิจักมาพุทธศาสนาคนเราเรนี้ยเออว่าซือพุทธศาสนาแค่อะไรเป็นศาสนาอ้าวขอให้เข้าใจละศาสนาอยู่ที่ไหน นี่ถือพระพุทธธรรมผสมอะไรจึงนพระพุทธอะไรเป็นพระธรรมอะไรประสมพระพุทธเจ้าอยู่ที่มม ไ, ไ, ไหนเดี๋นี่ยูที่ขวดตรงนี้วัดที่ที่เอาถือพระพุทธเจ้าเป็นชนะที่ขึ้นอ่ามาไปประกาศตั้มใจฟังนี้อืมมีหลัืลอแต่ปากืฉยๆอ่าหนี่สาปชนะคืออะไรอยู่ที่ไหนเล่า หรือบานเมืองชนเป็นขว่าศาสนาะเหลือเชื่อว่าบุญบาปทำเศษนาวายัยนรกสวรรค์คนจะไม่เชื่อศาสนาไม่มีประโยชน์นะเมื่อศาสนา ม, มีประโยชน์แล้วมันก็คงพร้อมให้เราวางไงอะไรเป็นสาชนาะจะไม่มีประโยชน์หรือบานเมืองผลทางไปศาสนาะ เ ร, าาร เ, เรื่องฟ า, ากาเป็นศ า, าสนานล้วต้นไม้ภูเขาเรากาเป็นศาสนาเแล้วกุฏิสลาลองทำบุญวิหารเป็นศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนจะถูกก็จะศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาคือคําสั่งสอนคําสอนอะไรแต่สอนกายของคนสอนวาจางคน สอนใจคนนะเมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนนี้จะเป็นพระพุทธศาสนามีใช่อื่นเป็นปพุทธศานะสน์สอนเพื่อใดกายวาจาใจคนนะสอนสอนในละความชั่วละความชั่วทั้งกายทางวาจาดมใจเนะมื่อรวมแล้วกายวาจาใจคนนี่ เป็นศาสนาความชั่วก็มี่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของคนนี่เด้อละเพเรื่งความชั่วทาสั่งสอนทัรมลาติัวเราทุกข์บัวเราโะบัวเราลำบากลำพานบัวเราอดเราจนโัวเราตกคุกในยนา่บัวเราลำบากนี่เป็นสอน่ากนี้อ mm ัน hmm. น <ario> ี้ลราศาสนา อตัวเราคนไม่เชื่อว่าบุญมาบาปบาปความทุกข์ความยากอะไรทุกข์ยากกายคนใจคนอคนนะมีทุกข์ยากมีละเพราะทุกข์ยากตัวอะไรเพราะทําความชั่วนี่ฉันจะสอนให้ละได้ไหไมละใหละความชั่วพวเราทุกข์พวเรายาก ดูดิเราได้ยินได้ฟังแล้วทำ ส, สอนท่านเป็นอย่างนี้แบาปความทุกข์ความยากันแล้วอะไรทุกอะไรยากหรือฝ้าอากาศทุกยากดูพิเจณนาดูดิทาททมันรูม้มันเห็นได้จะปูหกหลอกลวงใครเราความทุกข์ความยากหรือใครว่าความทุกข์อะไรทุ ก, ก, กยาหรือฝ้าอากาศทุก แหมแต่รู้มันลู ม, มเห็นมันเจ็บแหต่มาว่าไม่เห็นกว่าอาการมันพุ่งละไรเดือดร้อนอะไร น, นอกตัวหัวใจคนแล้วนี่เป็นนีิสสนาเมื่อรวมแล้วกายวระจาใจคนนี่เป็นนิสสนาแหมเป็นอย่างนี้ตั้งสอนกายสอนใจคนสอนเพื่อใดให้ทําพ้ ง, งามสงดี งามความดีก็มีใช้อินดีกายคนวาจามคนใจคนนะหวาเไยได้ละความดีไม่แต่เอ็ดีกายคนดีใจคนดีคุณงามเรามานี่ตกางๆคุณงามความดีนี่ละความเมตใจละงามความดีไันรับผลคุณงามความดีรับความสุขความเจริญรับความสุขความสบายนะ นี่แหละศาสนาเรามานี่ก็ต้องการความสุขความสบายต้องการความสุขความเจริญเมื่อความสุขความเจริญนี้ท่านได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นชนะที่พึ่หรือพระธรรมเป็นชนาที่พึ่หรือพระอริยสมเป็นชนะที่พึ่ ง, งทำไม่เอาอื่นเป็นที่พึ่งทิ้งอื่นพึ่งไม่ได้ นอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระธรรมส่สงแล้วนี่พาไปเข้าใจหลวงพุทธเจ้าเดีนี้พระรพุทธเจา้จาอยู่ที่ไหนเล่าเลือก ด, ดูที่พุทโธเลือกดูที่ ท, ทุกข์กอพุทโธรู้ตรงไหนเล่าพุทธิพันธ์ูที่รู้ก็เลือกรู้ที่ความรู้ตรงไหนเล่าอันนี้เป็นเจรนาหาความรู้อันเดียวแล้วทำอะไรเป็น อยากเป็นนั้นเป็นนี่ก็เป็นไม่ได้อยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามก็เป็นไม่ได้เราไม่มีความรู้ถ้าเรามีความรู้แล้วเป็นคนร่ำคนรวยคนสวยคนงามแหมเป็นแน่แต่ผู้ฆ่าแต่ผู้รู้ขาดความรู้แล้วทําอะไรเป็นเมื่อทําไม่ได้พึ่งอะไได้ไมมีความรู้แล้วปฏิบัติอะไรเป็น เมื่อปฏิบัติไม่ได้ซึ่งเลยได้เ่นะาายป็นอย่างนี้ยังอภุดพาเอานี่เป็นศ า, าสนาคืขึ้นนี่ตัวเป็นกองมินใทางกันยจักรเอาพรนะเจ้ า, าเป็นสนาีืขึ้นเดือดติดาีไหวตะกราบพาเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราทาอะไรเป็นเมื่อเราทาไม่ได้พึ่งเลยได้อนะ่ยอยากได้ก็ไม่ได้ทีเราไม่ทาไว้ เป็นอย่างนี people, yeah. ้เขาก็แพะอริยะสองเป็นตีพึ่งเราไม่ได้ปฏิบัติไว้กับพึ่งไม่ได้สิซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเราูปฏิบัติซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเราผู้ทำซึ่งทั้งหลายทั้งหมดเราผู้รู้แต่ดูที่อะไรมันรู้ไม่ใช่ฝ้าตากมันรู้คนเป็นผู้รู้เจ็บรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ซุกรู้ปุ๊ คนเป็นผู้รู้อ่ามีละเราตัวเป็นนอนเป็นนี่ตอนนี้ไปพากันให้วัดดูเป็นมาจากไหนเราต้องแก้แต่เบื้งต้นเนี่อยออาผู้ใดกลัวหากรมันพขวัดเอาพระพุทธเจ้านี่เป็นชนะอีกขึ้นฤทธิ์ตีกลาตีไหว้ผัวผีผัวสามหัวประปาควายส่วนก็พุทโทขึ้นมา ใจไม่ดีก็พูดโทรขึ้นมามันที่เกี่ยวกิรคานพูดโทรขึ้นมามันมามันยังดีเนี่ยได้ยังได้ยังได้รับทุกคนต้องฟังแค่ได้ต้องทำต่อไปมีแต่เทศกิเลสมีแต่ฟังกันทุกวันวันมาเห็นอะไรแลยไม่จับวัตถะเลยนะแล้วไม่จักบุญไม่จับบาปแล้วไม่จันรกนรกสวรรค์เนื้อเชื่อ เชื่อไม่เชื่อกันแล้แต่บาปความทุกข์ความยากนี่ฟังอยู่ที่ทุกข์อยู่ที่ไหนเล่าความยากอยู่ไหนเล่าดูเอาที่ฟังเอาที่หรือสลายมันทุกข์ไหมยากอะไรทุกข์ยากรู่ข้ออากาศอ่านไม่มีนอกใจใจคนแล้วอดใจคนประพฤติไม่ดีทำไม่ดีมันจะทุกข์ยาก แต่งานนี่อดยากลําบากชินทั้งหลายธรรมนิยต์ใยากอะไรหัวใจคนอดยากหัวใจคนทุกคนยากเพราะฉะนั้นเรามานี่มาฟังดวงใจเรามาฟังโัวงเรามาฟังที่พึ่งของเรามาปฏิบัติตัวงเรามารักษาตัวงเราต่อไปเข้าใจไหมล่ะ เนี่ยพากันใน ร, รู้ลูกตู้ใจที่เออเอาตอนนี้ไปให้เขวัหมามืยางคนมาเอาใจ่เวลายังเดึกดเดือดผมว่าจยากนอนนอนเท่าไรก็ไม่พอกีเป็นหลังแบกเบื้องทียังไม่พอนะมาบุญในโซนนั่นโซนนี้ประเทศชาิบานเมืองของเรายาไปโตเขาว่าวันหน้าของหน้าจะเป็นยังไง นั่งดูเดี๋ยวนี้เตข้างหน้ามันมีหน้ามีหลังดูว่าเต้ยายนเรีข้างหน้ามัก็ดีเลื่อนชิ้นงาคนมันมาอย่นะอาเดี๋ยวนี้ไม่ดีข้างหน้ามนก็ไม่ดีนี่ให้รูให้รู้ไว้เตเรามาหาที่พึ่งของเราเราพึ่งอะไรล้วเดี๋ยวนี้พึ่งเข้าถึ่งของพึ่เงินพึ่งทอพึ่งพึ่งใบกระดาง เอาที ja, oh, ่คือะไรยังอ้าวเข้าที่เอาฟังทำเนดูไม่ด้ทำจเห็นทำเที่จะฟังไม่เป็นเเราทาอาหารแล้วทำยั่ไงไม่ชิมดูมันก็จี่อิ่ละเอามาาีนั่งนมานั่งสบายนั่งาก็ได้ นั่งสบายสเออนั่งสบาย่งมานี่ต้องตามความสุขสบายไล่ออกมารีบมารีบมาเอามาเบอร์อะไรยังเอามาไล่เอาแล้วเรียบร้อยยังเอารีบมาใครจะมารีบมา นั่งสบายลนั่งสบายแล้วสบา ย, ะบายะนายายะอะไรสบายทำสบายเราอยากได้ความสุขความสบายเอาเอาเอาเอนี่แหละคือรู้จักอะไรมีสุขมันสบายมัน จ, จะวาดเฉยๆนั่งดูเดี๋ยวนี้บ้านเราจะ ม, มีความมนิเสตพวามมณิเสตคือนตัวยังไงคือคดนี่เหรอความมณิเสตมันไ ม, ม่มันไม่มีบุญมีบา อ่ามันไม่รู้จักดีจกัจกชั่วมันจักชุบเรียกุอ่าเรื่องเปงั้นเอาจรจะฆ่ากันเท่านั้นขับกันเท่านั้นเรื่องไปงั้นเอ้เอ้าเราจักบุญจับบาปเนี่ยเอ้านั่งเอาทีล เ, เอาวางอธิบายให้ฟังเานั่งสบายนั่งสบายยังอ้านอ้นกันสบายส นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะที่พื้นที่เรื่องละควางมือเนี่ยเอามือขวาทับมือซ้ายเออขวาทรมซ้ า, ายซ้าทับบายสบา ย, บายนั่งสบายวางทาวางทางให้สงาา่าผ่าเผยแยามแฉมใสนั่งสบายสบายเอาสบายแล้วและลึกพื้ที่พื่งของเรา ลึกเคออรื่อนใดคือพระพุทธเจ้าคือพระธรรมประสงค์เป็นศาสนาที่ขึ้นให้ลึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพุทตาก่อนรู้พระธรรมอยู่ในใจพรียสงสาวกอยู่ในใจเชื่อมั่นในใจอย่างเนี้ยนะจะมันอ ล, นลือกคำภาวนาและลึกดูทีว่ามันอยู่จริงไหม ลึกดูผมไม่เคยภาวนาผมเคยละปานึกอ้าวผมไม่เคยภาวนาทำภาวนาแว่ น, นนี่กรรมนิกรรมโาวนาแว่เนี่พุทโธเลลึกดูทมันนึกคือไงเล่าคำโธเลลึกดูที่ลึก ใ, ในใจสังโธเลลึกดูแท่แมทาานาทันนึกคือไงเล่าเ น, นี่ย พุทธธรรมโธสังโธพุทธธรรมโธสังโธ ส, ส <c oughs> ามคนแล้วให้รวมแต่พุโทโธพุทโธคำเดียวนับตานับปากซะลึกใน ใ, ใจนลื่นตาไปเห็นแตนอกมันไม่เห็นไหน เัาจะรู้จากว่ามันเกิดมาจากไหนคอมมิวนิสต์ก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็กดีทุกข์ยากลำบากก็ดีมันมาจากไหนจึ่งให้รับตากนักปากนะลิ้นก็นมีกระดกกระดิกให้นึกพุทโธพุทโธความรู้สึกตรงไหนเล้วตั้งสติไว้ตรงนั้น ตรงที่เราเลือกเลึกดูที่มันรู้เลยพุทโธมันรู้ซึบตรงไหนดาวตั้งสติตรงนั้นหาแล้วก็เพ่งดทูที่นั้นดูเพย์ใดเราอยากรู้มันเป็นอยู่ยังไงดวงใจของเราหรือตัวของเราที่พึ่งของเราหูเราไปฟัง มันเป็นยังไงนี่จะเขามาวัดดูสุขกับทุกข์อะไรมันมากจากกันกว่ากันแล้วมันมากจากไหนอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์นี่มันเพราะเหตุใดเรารู้จักมันดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงนี่มันดีเป็นอย่งงางนี้พาเขาให้เข้าใจ รวมมาสั้นๆนะใจเราสงบใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่วุ่นไม่วายพุทโธใจเบิกบานสว่างสวยใจผ่องใสสะอาดใจปราศจากพุกปราศจากโขปราิจากภัยปราิจากเวน เราจะจากความชวชาละมกเราจะจากกิเลสกันไล่นี่เป็นอย่างเนี้ยเมื่อใจเราดีแล้วนี่ละ่ะมีความสุขความสบายอันนี้ละ่ะเราจะรู้จักว่าข้างหน้าเป็นไงอนาคตเมืองหน้าให้ดูเมื่อใจเราดีใจเรามีความสุขความสบายแล้วยนีละ่ะ ที่พึ่งของเราข้างหน้าก็มีความสุขความสบายเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะดูที่เมื่อใจเรามีความสุขความสบายเดียวนี้ทัางหน้าเราก็มีความสุขความสบายนั่ น, นแหละที่พึ่งของเราอ่า uh, มันไม่เป็นของมันิีตไม่เป็นตรงนี้เออพูดง่ายๆอ่านี่ใจเราสุขสบายแล้วก็รับแล้ความสุขความสบายอ่าดูเถอะ อันนี้เมื่อใจลราสบายการงานแล้วก็สบายเออทำมาหากินอะไรก็สบายค้าขายก็สบายให้ขาดทุนขาดรลอนทำราบสะกันเจริญยิ่งยิ่มถึงไปนรปาหายโดจักหาเงินหาทองก็มีอดไม่ยากเมื่อใจเราสบายแล้วทำมาหาอะไรก็สบายเมื่อดับขันไปก็เราอยู่ที่ชุขที่สบายเนี่ยไม่มีภัยไม่มีเวร มันมีความช่วช้าลามกมันมีความทุกข์ความจรดอะไรมาทุกข์เราใจเราไม่ทุกข์นี่ละ่ะเมื่อใจเดีแล้วมีแต่ความดีเมื่อใจส บ, ใสบายทําะไรมันก็สบายนี่นำนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันในเบื้องหน้าอันนี้ไม่ได้หลอกลวงโกหกอะไรแล้วดูเอาบได้อยากสุขอยากเจริญอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงาม ว่าใจดีทําอะไรดีทำอะไรมันก็ดีนะมันก็เจริญสันเต้มันก็รวยสันเตมันก็สวยกงามสันเตอยู่ว่าไงเล่าขาดหายแตไม่ขาดคุนคันร้อนทำราชการก็เจริญเล่าเรนศึกษาก็เจริญประเทศชาติของเราก็เจริญแา่ตายไปอย่างนี้นี่ครอบครัวก็พี่น้องก็ ม, ม, ม, ม, ม, มีความสุขความสบายมีความเจริญนะดูว่าเท่เมื่อใจเราดีแล้วชาวบ้านร้านตลาดก็สบายมีความสุขความเจริญประเทศชาติก็มีความสุขความเจริญนะดูว่าเท่นี่มันเจริญตรงนี้มิใช่เจริญในที่อื่นงานงานนั้นหมดเราทําถนนหนทางเึื๊กล้านอังคาน คนทำเงินก็คนทำคนหาใจเราดีเงินพอมก็ดีการงานก็ดีถนนทางก็ดีเลิกร้านทานก็ดีว่าไงเราดูสิเอ่อทำมาอะไรามันก็ดีสิแอบแซงดูสิจริงหรือไม่จริงล่ะเยิบกระได้คลองแคลนเนี่ยแต่ใจเราดีแล้วนี่ให้ดูไว้มันไม่ดีเป็นไงล่ะ ใจเราไม่ดีทุกยากวุ่นวายตลอนนี่นำสักหลายตบทุกได้ยากในปัจจุบันเนี่ยเบิกหน้าเมื่อใจไม่ดีทําม่ดีก็ไม่ดีฆ่าท้ายก็ไม่ดีผาดภูผิาดหลอนเ้าเล่นก็ไม่ดีรัศการก็ไม่ดี้าวบ้านร้างตากประแทศชาติก็ไม่ดีจะว่าไงล่ะเมื่อใจคนไม่ดีแล้วจะความขวามอะไรเอาวัดดูสิ เมื่อใจไม่ดีแล้วบุตรภรรยาสามีก็ทะเลาะกันบ่เมื่อใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะกันใช่หรอวุ่นวายก็เพราะใจคนไม่ดีรีบมาแก้เราไม่ยังเป็นคอมมิวนิสต์มาแก้ตรงนี้ยังไม่แก้ที่อื่นแก้ต้นมนันนี้เอจะไปแก้ปลายเวลาเนื้กงคลั่งวุ่นวายเกิดขึ้นเมืันกลั่เดือดร้อนขึ้นมาเยอะใครไม่ต้องการล้ว ต, ต่อไป ให้พากันนั่งงรู้กใจแต่แต่วันนี้ต่อไปเออให้รู้ว่าเฮนหรือใครอทุกข์อยากจนหรือใครวนอยากยากหรือใคร อ, อ, ร อ, ครอทุกข์อยางง่ายเอาดูที่อะไรทุกข์อะไรยากหัวใจเราไม่ดีก็ทุกข์ยากวุ่นวายตลอดอันนี้อาซักะตะาตทุกข์ะยากในปัจจุบันหรือเืองหน้าอนาคตเมืองหน้าแหมคือข้างหน้า เนี่ยดูโอเทมันจะเป็นยังไงบ้านเมืองของเราเรานั่งอยู่นี่เป็นเอ้ยบ้านเมืองก็ได้หรืออะไรอยู่เดียวเนี่ยเรามีความพร้อมเพียงกันอยู่นี้เราใจเราดีแล้วก็มีแต่ความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจนะไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีอะไรสักอย่ามันได้รับแต่ความสุขความสบายไม่ได้รับแต่ความสุขความเจริญดูโอเทเนี่ยฐันเงินกัมเนินกังอดีตนาคต แม้แต่น็อตบูลปัจจุบันนี้เมื่อได้ปัจจุบันนี้มันดีเราคำหน้ามันก็ดีนะมันก็ต้องไปเจอหนี่ผู้นี้เป็นผู้ทำผู้นี้เป็นผู้เป็นไี่ใช่ผู้เป็นหัวใจเรานี่เป็นเป็นนรกหรืเป็นเปรตเป็นเสดสสารเป็นนรกนี่คหัวใจนี่จะเป็นนี่เดียวนี้ให้ดูที่ใจของเรามันเป็นเปรตหรืเป็นเสดสารนรือนรก จะเป็นเแถวมุตรแถวดาราหรือเป็นพระอินปร์พระพรหมท่านบอกว่ามนุษย์สติรสารโนเป็นยังไงเรื่องมนุษย์สติรสารโนหลังกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นสติรสารแล้วก็ดูที่สติรสารมนุษยจักการทําอะไรแล้วมนุษย์จักการกราบการไหว้ทาบุญในทานอะไรทักอย่างกินแล้วมันก็นอน เลี้ยงกันล่ะนั่นคือส no, ุกอร์นี่เราก็กินแล้วก็นอนมนุษย์จักการกราบการไหวมนุษยจักการครบรอบนกน้องพรพุทธธรรมประสงค์นั่นแหะเมื่อร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเส้นเดรัจฉานับพันก็ไปเป็นเสเดสานดูที่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ดูเอาเนี่ยมนุษย์เปโตเนี่ย มนุษย์ด้วเป็นเปตล้างกายเป็นมนุษย์ทํมาอย่างมนุษย์เปรตโตเมียงไหหลำหัวใจเป็นเปตมันมีแต่มุโหสถัวยาฆ่ายาควันยาก้นการน้มฆ่าเจ้าเอาความลบเทงเล็งลับของเขานเกิดพูดวายดรอมรับคำแล้วมันไปเป็นเปรตนะมันเป็นปดะเด็นนี้เนี่ยดูเอาที่เออ ร่างกายเป็นมนุษย์แต่หัวใจเป็นเตล้วมนุษย์วิรเยะร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นนรกหัวใจเป็นนรกเป็นไหหล่าดูที่นรกเป็นย uh ังไงนรกก็อุ้มอกกุ้มใจทุกอกทุกใจตายแล้วก็มาจอกนรกกันอ่าดูที่เมื่อหัวใจเป็นเช่นนั้นแล้วหลจากนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์ตั้มชามนุษย์เช่นไหนตัําชาเป็นไหวหรือเป็นว่าเสจสิทธิมนุษย์หูเชงตาบอดประจอกกรอกง่อยคิดพูดพูดสังทุกตั้มลาบากนั่นมักเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ตั้มชาตัําแล้วหัวใจไม่ดีกรู้ที่หนึ่งลูกที่ลายที่เละนะเวลาไหนหัวใจเราไม่ดีเอาวัดดูที เปียังไงสัตว์กันเราน่ะฟังดูสิอานุมิตรเทวโอน่ะร่างกายเป็นเนื้อหัวใจเป็นเทวบุตรเทวดาหัวใจดีหัวใจงามหัวใจรู้จักคุณพุทธธรรมเป็นสอคุณบิดามารดารู้จักการกราบการไหว้ทำบุญในทานหัวใจดีน่ะรักันแล้วก็เป็นเทวบุตรเทวดานะเป็นพระอินทร์กะพรมเน นูนูซเทโอนี่เป็นเทวดาอันนี้มุลซาสมมาร่างกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นสมเป็นเท้าม้าคมนางม้าคมเป็นผู้หัวใจว่างนะหัวใจมันว่างสมายนะไม่มีอะไรเนี่ยอย่างมันนไดอันนี้มุลซารัตโตร่างกายเป็นมนุษย์ แต่หัวใจเป็นพระรหัตบุญภุรกิเลียตันหาลาคะโลภโทาโมหะวิชาตนาประธานปกธาตุไม่มีไม่มีอะไรอี่เป็นพระรหัตล่วันจากไผวชวันจักองเกิดแก่เก็บตายการธรรมชาติวิชาตนาประทานปกธาตุอย่างนั้นนี่มนุษย์จะเป็น พรลหันบริมเชลินเป็นงานในมือซับพุทธโฆรางกายเป็นมนุษย์หัวใจเป็นพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งแทงตราชื่งสารพัดเนยธรรมทั้งหลายไม่มีใครที่แกงแสดงซักรู้ถวโอเองมีละเมื่อใจเป็นไม่เถื่อนโน้นหัวใจเราดีแล้วลเกิดเป็นมนุษย์มืสัว สูงกว่าเขาสูงอยู่ใดไม่ที่สูงตรงกว่าเมื่อสสูงกว่าเขาคือเกิดมาแล้วเป็นขา้าพยามหากรสัดเป็นเศรษฐีทบดีเป็นเศรษฐีขบ้ขบดีเป็นคนมั่งมีสีสุขเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่อดมยาเป็นคนสวยคนงามนะเป็นในร้อยในพันในคนจ้อมพลว่างไงอ่ะ มนุษย์เราเป็นเอาเลือกเราที่ตอนนี้ไปอธิบายฟอนแล้วนี่ละรวมมาสั้นๆแล้วนิสกรรมบิลีคุณงบตอนแต่ว่าเป็นน้นเป็นนี้มันเป็นมาจากไหนเราล้วก็ดูที่เราคนเราเป็นกรรมมนุษย์อันนี้ดวงไม่ดีดวงปีนี้ดวงไม่ดีอย่งผู้เขาโูพกเราจะไปเชื่อหัวเขาดวงดีดวงไม่ดีอะไรดวงดี ดวงมัวคว้าตาดาูเหรอดูที่ดวงดีเป็นไงเล่ารวมมาสันส้นๆใจเราดมีความสุขความสบายนั่นแหละดวงดีนี่ฟังโอเทดวงไม่ดีเป็นไงเล่าดวงใจเราไม่ดีทุกข์ยากวุ่นวายนี่แดวงไม่ดีดโอเทสนี่ละให้พากันในเพิ่มมือเิ่ใจ นี่บางคนเป็นกรรมมันน้อนเป็นกรรมมันนี้เกิดมากรรมมันมาจากไหนล้าวกรรมไม่ได้มาจากว่าอากานไม่ภูเขาเรากากรรมเกิดจากกายเรากายกกรรมวิจีกรรมโนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจากวิชาแต่เวลานี้กายกกรรมของเราเกลียบร้อยอย่แล้วมันมีอะไรวิจิกรรมวิาาเราก็ไม่มีแล้ว ยังเหลือธรมโนโกรร ม, มโนั่นเองโนคือความน้อมนึกโนบุคังธรรมมาธรมาบุญและบาปสิ้นใดใจถึงกอนความน้มนึกเราละลึกกรรมมันใดไว้กรรมดีหรือกรรมชั่วเราจะได้รับผลของกรรมสืบไปเนี่ยเนี่ยกรรมสกองีกรร ม, ม, น, ร ม, รร ม, มนของขอ ง, ของตอนเราทำกรร ม, มันใดไว้ดีหรือชั่ว เราจะรับผลของกรรมสื่ไปอันนี้เราจะรู้จักจกังไงละกรรมดีอา้าวดูเทพกรรมดีรวมมาสันส้นๆกระใจาเราดีมีความสุขความสบายสบายอกสบายใจพุทธโธใจเบิกใจบานสุขสบายอกสบายใจหายทุกข์หยายยากเนี่ยหายความลำบากลําพานความอดความจนความทุกข์ ความยากไม่มีมีแต่ความสว่างไสวเนี่ยนำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันระเบีองหน้าเลวกรรมดีป่าประการกรรมชั่วแบงอะไรใจไม่ทุกข์ยากบุ่นวายเดินรอดนักให้ง่วงให้ง่วงให้เงาให้ขี้เกียจขี้ขาดเกิดโมโหโท่สวขขึ้นมาอันนี้แหละกรรมชั่วหัวที่นี่นำสักทงตะทุกข์ใยาก ในปัจจุบันใยบางหน้ า, าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะเลือกว่าที่เกิดมาจากไหนล่าตอนนี้จะมาอธิบายกับสามคนต่างไปยินในความเล้วสามคนต่านั่งดูไม่นานถึงเอานานเทา่าไรสักสามสิบนาทีนะก็สู้นักลบกเอาหนะ้าเขาได้เขเข้มเขาจริงจกันจังมันงที้ยามคนยังอยากดีทำไมบางคนขาดาทันขาดทุนขาดร้อน อมันเป็นทําไมมันเป็นเพราะอะไรมันคนร่ํารวยสวยงามเพราะอะไรอ้าวอธิบายฟังแล้วมันขัดทุนขาดตอเพราะใจเราไม่ดีเออทำอะไรก็ไม่ดีมันร่ํามันรวยมันสวยมันงามเพราะใจเราดีนี่เรื่ออ้าวดูมันดีแล้วไม่ดีให้นั่งดูสองอ้าวรับตาแหมนั่งแหมเบิ่งเบิ่งหัวใจเรา นึกบังหัวใจทุกโธพุทโธไหมดใจยกฟองเงี้อนะใจเราเป็นยังไงพอใจมาอธิบายฟังนี่เตี่อยากดีมือจักอะไรมันดีอะแต่ดูเตี้ยอยากดีมันไม่ดีเพราะอะไรอธิบายฟังแล้วเพราะใจเราไม่ดีเนี่ยพูดง่ายๆใจไม่ดียิบอะไรก็มรีทำอะไรเรืนสงการงานก็ไม่ดีที่ละ มันดีเพราะอะไรใจเราดีไม่ใจเราดีทํำไรก็ดีค้าขายก็ดีเงินทองก็ดีการงานก็ดีสิ่เท้านั่งดูไม่นานเท่าไรสามสิบนาทีเอ้าอเอ้านั่งสบายสบายอยากร่ําอยากรวยอยากถึกหวยหรือตลิหรออ้าวนั่งดีดีแล้วได้ละรวยล้วึกนะคุณนายละรับรองร้อยเปอร์เซ็นหน้าบานเมืองของเรา เออตายดีก็บุญยังไงแน่ไม่ไม่ทูกขรอดตะลิบบาปทุกรตะลิบก็บุญยังไง ก, ก็แ <c oughs> ล้บบว <c oughs> น่เกิดมาลำรวยก็ บ, บุญยังไงบุญมีความสุขความสมบายก็ บ, บุญแน่มีอัตถุยากรก็ บ, บุญบาปก็ทุกข์ยากระบาปวดตยากรบาปแค่หวยตตไม่ทูกก็บาปดูเอาติว่าไงละ่ะ อ้าวนั่งนี่มามาเท่เมื่อมาเท่แล้วมันใจถ้ามัน้องได้เสียงนอนก็ไปโปณิโกน้อไปในตันติโกู้ปฏิบัตรูเอียงเห็นเอียงไม่นานเลยโอ้ยเดีทุกสายตวงมองนั่งนี่หน้าที่เขาเนอะอ๋อมันดูมองเท่มันดีคือว่าแล้วไม่ดีคือว่าอ้าวนั่งโูกั่งคนตัางดูนี่หละ มันไม่ดีอยู่มันไม่ดีพออะไรเห็นใจไม่ดีก็เลิกมันละไม่ได้จะไปทาไมลราไม่ใช่ยืนไม่ดีไม่ใช่ฟ้าาดไม่ดีให้นั่ดูให้ฟังดูฟังคเนี่แล้วฟังคำอธิบายฟเท้รู้จักหมดดีชัพิภูที่ฟังคำเราพูดคำทำดูปฏิทำนามธรรม รู้การทำร่างกายเรานำมาทำํำไะดวงใจเราบุกคิดบุนึกมนแล้วลึกดีแล้วลึ ก, ล ก, ลกชั่วอยู่ที่คุณี้ผู้ทําใจเ้าดีอธิบายฟังแล้วนําความทุกขความเจริญให้ใจไม่ดีก็นําความทุกขความยากให้ปไปตีไข่เล่าต่อไปอานํามี่ต่อไปอธิบายได้ทุกเสียงอะไรก็ตา ม, มรู้ว่าสิ้งขั้ น, นมเมียตรายแล้วมันกำเดือร้อน วางสบายสบายใจรับร้ทุกโตโนะี่วางสบายเนี่ยทุกท่อย่างประเทศภาคบ้านเมืองสงบเนะี่ยไม่จะเป็นน้นเค่นี้มันสงบได้ไหมเอาเราสงบอย่าง น, นี้มันก็ไม่มีเรื่องอะไรประเทศภาคบ้านเมืองของเรามันไม่สงบมีวุ่นวายใจรบลาข้าพันดันแทงกันนะีเอาไหมอะ อมื่อที่ใครแล้วเราก็ไม่สงบคนนั่งก็ไม่สงบมันเกิดลบลาข้าวฟันนันแทงกันพีนี่ต่างคนต่างสงบมันก็มีใจไม่มีเวรมันก็ไม่ขาวฟันนันแทงกันมันก็ไม่เกิดขโมยควยจวนกันมันไม่เกิดบุ่นวายเดือดร้อนนมันสงบแล้วอย่างมันสงบอย่าประเทศชาติสงบนั่นรู้ถึงมันสงบก็มีสงบนี่ย บางคนมาถามอาจารย์ประเทศจะเป็นยังไงนีป็ิลูประเทศสวัสจอจเรามีประเทศโดยสมควรนนี่เพืจะประเทศนี้มชิ ม, มาประเทศที่ประเทศต่างๆเราประเทศเราบุกเทศตตาปุญญตาเทศกรางก่อนปญุญตาึงบุกูส่งตะตังและตะทำมาแล้วบาน้ทิจาระจงตนทิชชอ ตวัวความที่ยกตามังพลงมุตตมังจดเป็นมงคลมงคลคือความอุดมมงคลคือความทุขความเจริญจะได้ทำมงคลเราก็ต้องอยากได้เป็นสิริมงคลมันเป็นไหมอภะมงคลมันเป็นไรคือใจไม่ดีสิริมงคลคือใจดีสิคือความงามต่อไปอ้า นีเสียงอะไรสัญญาไหวรู้ว่าที่นั่นไม่มีรตราีมันต่ำกอ่าบางคนต้องฟังดูสิงใดมันไม่ดีเลยรีบกำจัดปักเต่าซะเราไม่ใช่อีแฉาแล้าเราปล่อยสิ่งไม่ดีไว้แล้วเราก็จะได้เป็นคนดีเด่อัห้ึงรู้คุณเข้าใจที่ไม่ได้โกหกใครแลันทิที่โกหูไปจีบบัตรลกเองเห็นเองเนี่ยถ้าคุณนั่นม่รููคนน้จ ะ, ะบอกอะไรคนีเชื่ออ่วางสบาย มันยาไหวที่มีเสียงอะไรก็ตามรู้ที่นม้ไม่มีสัายแล้วนั้นไม่ตมอ้องรอนวางสบายสบายเรามาอยากชุดยอยากสบายมันจังร่าจังรวย ตรงไหนตองชำระถ้าเราทูบ้านทูพช่องไม่สะาดตรงไหนแกร์หายหาเราไม่ดีตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้น น, น, น, น, นี่แหละเป็นพ่อปฏิบัติของตรงนั้นอาตรีกินมีฝันและต่อไปหากันของวัดของวันวันวนานะบ้านเมืองของเราจะมีความสุขความเจริญมันนำผลดีทางคนทางสงบ ไอ้ทั้งหลายก็ไม่มีมีละนามาเชิญนใจนี่อระกอบเงินย่ยอนี้ปรเป็นข้อบปฏิบัตริรับสติปัญญาบารามีทั้หลายมีธรรมาที่แกงแสดงให้ฟังนี้กับเพื่อเราสั้งหายต่อการความสุขนะัะความเจริญความการสุนามกมีและบ้านเมืองของเราความทางความสงบและเรียร้อย ประกอบตัวกรีธรรมมาผานให้ในกรณีการกรณีตามการความทุกข์ความเจริญนี้ันเหาะมากไปไม่กินมันไปแล้วในพระพฤติศาสนาลูกโขกเจ้าความแล้วคือกายกับใจนี้เป็นนิสตันในประพฤติศาสนาเป็นนิสตันแห่งประพุติแห่งพระธรรมแห่งเบิดลมเป็นนิสตันแห่งความทุกขความเจริญ ได้ที่ต้างแห่งมากมาค่อตายใจนี้โดยสิ่จากนี้เมื่อท่านร้ายที่กินในฝังอย่างนี้แล้วโยนในโลกมันก็ตานพาจนจบนัดจบไปแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหนักตนตนไปเป็นกรรมตรักสอนแต่นี่ต่อไปเมื่อท่านร้ายมีความประมาทแล้วจะเพลิดเพลินแต่ความดุความเจริญดังในแแมา เวยังโทมิโดะานีเราับปอนตอนีไปสัพเพเโลาสัพเพเสัพเพเอันตรยาสัพเพปะสัพเพเตนิตาสัพเพเตมังคาราปมาุวาตโธนาวัโิโวั สุขวัตถุตุเตตระอาภีวารนาสีริภุมิจังุท้าภกไนโนสัตาโรุธัมมานติอายุวันโนสุขัง Wait a n h e r t h e g e าเหรอวาเท่าแก่ผมนะเท่ากผมอุ๊บสองนะครับเท่าแก่ผมแก่เหรอว่าพอแก่ตอนนี้จะเอาเลยอนนัน hey. wow ึงแล้ัก okay, oh, ่เลังไรปนะ ไม่หมดกลยตอนนอส่าห์เล่ามาผ้นแบบนี้มานะว้าวถ้าไม่ทำจะร้อนต้องตวางใจสบายสบาย เพราะฉะนั้นเรามานี่ต้องการความชุ่ความสบายไม่ต้องการอื่นไปไม่ใช่ว่านั่งลับหูลับตายอปวดหลังปวดเอวสิยบกานั่งดูหัวใจของเร า, เามาดูใจใเรามันดีเลยมันพั่งสิ้นใจมันทั่งแล้วก็เลิกก็ละสิ้นใดมันดีแล้วก็ทำเพราะเรารู้จักแล้วไม่ใช่อื่นเป็น อ่านะให้ดูสินี่จะมานั่งสมาธิดูจิตตังมันตั้งยังไงล่ะจิตตังมันตั้งทำมันเที่ยงกองมันไม่มัน่นมันเป็นนมำคว่ำมันเออเอียงไปมันไม่ดีตั้งทเทีย่ยงกองอย่างนั้นอก็ไม่เป็นของเรียนดัเนี่ยเที่ยงของจริงแท้ถว่ามาเหมือนกันในช้า เขายกเสาตั้งเสาขึ้นะนะนี่เขาตั้งเสาจะให้มันตรงเขาตั้งเสร็จแล้วก็ไปเล่นดูหรือร ะ, ะดักน้ำน้าจับดูมันเองทั้ไหนก็คักเท่านั้นงา น, นักแล้วก็มาเล่นดูมันยังไม่ดีตรงไหนเรีย้นะคักจนมันเทียมกลมออก ฝังมันแน่นหนาอันนี้กรสันใดสมาธิปีจิตตังมันมันไม่ตั้งตรงไหนแล้วก็ ด, ดูที่มันคล้องตรงไหนมันขาดอะไระมันไม่ดีตรงไหนแล้วกแกไขที่นี่กูก็มาเห็นแล้ว ท, ทั้งภายในภายนอกเราก็มองดูท้งไนแตเ น, นี้ยเอาตอนนี้ไป ต, งตางคนกำลั ได้กินได้ฟังแล้วให้สัญญาไว้ข้างนอกยิเสียงอะไรก็ตามไอ้รู้ว่าสิ่งนั้นมันมีอันตรายแล้วมันก็เป็นรลอดทางคนําเพาะดูใจเราไม่นานจะระดอบรักษาสิบนาทีเออเอาลองดูที่เอาจริงๆจริงจำจำทันทีออย่างนี้บางคนว่าไม่ทาบาปทำกรรมทําห้มันเป็นบาปเป็นกรรมกต่ดูที่ ทำบางคนทาดีแต่มันไม่ได้ดีอันนี้ละ่ะมันคาดีก็ตทำได้ดีมันว่าดีจะปากเสยมันไม่ดีสิ่งนั้นไม่ไม่ดีแล้วมันจะดียังไงว่าทําดีแล้วมันไม่ไม่ดีเอานั่งอยู่เดียวนี้ละ่ะมันดีไหมใจโลกดีมีความสุขความสบายนี่เบิดใจไดปรับรองร้อเปอร์ซความดี นั่งในใจไม่สงบวุ่นวายตลอดมันใหนักให้นวงให้ง่วงให้เหงาไม่สมบงบทุกข์ยากนี่เราก็นั่งอยู่ดียแต่มันเป็นยังไงนี่นนลวมันไม่ได้ดีตรงนี้เอาดูอเอาที่จะไปทิ้อนันนั้นอันนี้ไม่ได้